นัตถิแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรม เป็นพระสังฆะเถระปูชนียบุคคลที่มากโดยพรรษาการเพียบอย่าง หลวงพ่อล่ําท่านมีนามเดิมว่า 31 สิงหาคม 2472 ที่ตําบลบางยับแพร่งอําเภอ เมื่ออายุได้ 7 ปีโยมแม่ก็ถึงแก่กรรมโยมเตี่ยภาสุโก วัดบางยะแพรผู้มีความรู้ทั้ง 20 ปีบริบูรณ์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2492 ก็เข้ารับ พระครูสถิตธรรมคุณหรือหลวงพ่อเผยเจ้าอาวาสวัด ก็เลยเข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษากรรมฐานกับพระอาจารย์อาบนามสกุลสมสนิทซึ่งเป็นคารวาสในๆไม่ว่าจะเป็น ยาโบราณรักษาโรคดูดวงชะตาราศีพิธีสะเดาะเเคราะห์ต่อชะตา เรียนไปมากมายไปหากแต่ต้องลองไปฝึกในภาคสนามดูมายแต่ถ้าไม่ได้มีการใช้ก็ไม่ มีทั้งที่ศึกษาออกไปประกอบอาชีพกันโดย delegorian วิชาเวทมนต์คาถาเลขยันจากอาจารย์ อาจารย์พานยังบอกหลวงพ่อล่ําว่าวิชาเป่ายันต์ครอบ วัดสังโฆสิตารามสุพรรณบุรีแต่ว่าไม่ได้พักอยู่จำปันษาการฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อคลื่นวัดสังโฆนะว่าเป็นเรื่องบังเอิญ ตอนนั้นหลวงพ่อคลื่นท่านก็เป็น ที่หลวงพ่อล่ํามีความชํานาญอ่านออกเขียนได้แปลความ เพราะว่าภาระหน้าที่หลายอย่างอีกทั้งต้องคอย ไม่บอกว่ามีเรื่องอะไรเสร็จแล้วท่านก็ไปพอ ไม่ใช่หวงวิชาแต่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่จะ จึงเป็นอันว่าทดสอบผ่านการลงอักขระ 108 เที่ยวจึง ท่ามกลางศิษยานุศิษย์มากมายท่านได้พูดบอกเอ้ยพ่อจะไปแล้วนะวิชาของ พร้อมทั้งคนคว้าศึกษาๆขณะที่ไปทุรดงบ้างอยู่จํา สร้างพระเครื่องบ้างเล็กน้อยลงผ้ายันต์ออกพรรษา 2501 หลวงพ่อลําจึงนิ้วองค์นึงเพื่อ 13 พรรษาจึง ตำบลหัวหมากอำเภอบางกะปิจังหวัดพระนครที่นี่ท่านได้สร้างหลวงเป็นองค์ที่ 2 หน้าเท่ากับองค์ที่วัดบางยะแพร่งเมื่อมาอยู่วัดพระไกรศรีแล้วบรรดาญาติโยมที่เคยไปให้หลวงพ่อล่ําสงเคราะห์ชีวิตช่วยรักษาโรคหรือว่าปัดเป่า ในขณะเดียวกันก็สร้างเครื่องมงคลขึ้นตาม ได้นิมนต์ให้ท่านมาช่วยพัฒนาวัดหลวง แต่สําหรับหลวงพ่อลําทําแจก 2510 พอมาอยู่ก็เริ่ม และเพื่อจะได้บ่อน้ําไว้ใช้น้ําเพราะว่าขณะที่ๆยังกันดาลน้ําขนาดขุดลึกลงไปท่าน ท่านก็ยิ่งไม่มีเวลามาก ก็ย้ายไปจัด 10 ตําบลพริ้วอําเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจัดอยู่ 10 ปีก็มาจัดที่บ้านอ่าง โดยวัดตบกเตี้ยหรือว่าเทพเทพนิมิตรแห่งนี้หลวงพ่อลําได้ออกจันทบุรีหรือว่าเขา ก่อสร้างเพิ่ม 2516 ก็เริ่มจัดเช่นถมที่ในบริเวณที่จะ 2517 นะ 2507 ขณะที่ หลวงปู่ลำสิริธรรมโวหรือว่าพระครูสิริธรรมรัตน์นำพระทุโดงออกๆไม่ใหญ่ มีหลวงพ่อเทพอาวุธหรือว่าหลวงปู่ฤาษี 2507 นํา ถึงจะมีใครเตือนใครติงว่าถ้ำนั้นแรงๆหลายองค์ไปอยู่ที่นั่นยังไม่ ครอบครองที่นั่นมา 7 8 อ่า 7 รู้เมื่อหลวงปู่รู้แน่ชัดถึงเจ้า ครูบาอาจารย์หลวงพ่อใหญ่ฤาษีตาไฟเป็นเจ้าของย่อมเมตตากรุณาต่อพระและให้ สรรพวิญญาณทั้งๆอย่าไปทําอวดเก่งสวดมนต์สวดคาถาไล่เขาเราไปอยู่ในที่เขาด้วยฉัน เจ้าของบ้านเพื่อตัวเองจะอยู่ย่อมโกรธย่อมเกลียดก็เขา ออกไปดูลแรงกับเจ้าที่เค้าก่อนอ่าบทสวด ไม่รบกวนให้ต้องเดือร้อนรบกวนให้ต้องเดือดร้อนมีน้ําซ้ําอาจ และยังได้รับการส่งเสริมให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศต่างพากันมาหาด้วยความเคารพมี ขนาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการเงินใครเดือดร้อนอะไรให้ไปหาอหลมช่วยจะ เพราะอะหลำนี่เกลียดคนโกงจัดการคนโกง แต่ยังไม่มีจริงๆหาไม่ได้จริง อาหลมนี่มีชื่อเสียงมากเป็นที่กลัวและ เมื่อมีพระสงฆ์ไทยไปเขาจะไม่ไหว้ไม่กราบไม่ต้อน หลวงๆเก่งๆขอให้รู้ให้เห็นมั่งว่าอยู่ที่ไหนให้รู้ให้เห็นบ้างว่าอยู่ที่ไหน ตั้งแต่ๆมีวิญญาณอื่นเข้ามาแทรกเวลาใครมาขอให้ช่วยทําอะไรๆให้ชาวบ้านจนล่ําลือกันไปมีคนหลั่งไหลๆ ก็ได้แสดงตัวให้รู้ว่าเป็นฤาษีตาไฟชื่ออุทกดาบดเดิมท่าน รู้เรื่องนี้ดีให้ไปถามหาทีแรกอะหลํา 15 วันแรกเนี่ยเขา ไปดื่มน้ําเอาตอนเย็นรวดเดียววันนึงเนี่ยนะรวดเดียว 15 ขวดดื่มแล้วก็ไม่ปัสสาวะไม่ถ่ายด้วยนั่งช่วยคนได้ทั้ง พากันขนานนามให้เขาว่าเซียนฮูบางวัน แบรามีให้หลวงปู่ฤาษีตาไวอุทกกดาบดไม่ต้องทํามาหากินอะไรหลวงปู่ ตอนนั้นลูกเขยเป๊ะห้วยอิวน้ํามันดอกไม้ขาวนี่ยังตั้งโรงงานใหญ่ที่สิงคโปร์แต่ว่าเค้าอ่าว่าอยู่วัดไหนคลองนั้นภู แรกๆก็ไม่รู้บอกทางไปทางอ่าบอกไปทางสิงคโปร์พยายามสืบหาช่วยช่วย เขาก็เก่งสืบหาจนพบหลวงพ่อลำนะหรือว่าหลวงปู่เขาฮุซ๋อยคลองโอกั่งกับหลวงปู่ฤาษีตาไฟหลวงปู่ลำก็บอกว่าหลวงปู่ฤาษีตาๆ คงจะเป็นซึ่งอาจจะเป็นภูเขาฮุ่ยเซ่ยที่ว่าหลวงปู่ฤาษีตาไฟก็บอกเออคงจะไม่ผิดแน่ก็เลยบอก นะเพราะอัลัมมหาหลวงปู่ก็พาไปที่เขาชะงกเขาได้และเมื่อไปดูคลองใหญ่ดําใกล้ๆอ่าตอน หลวงปู่ลำกับอาหลำชาวสิงคโปร์คนนี้ก็ได้สัมผัสกับผู้วิเศษอีกองค์นึงนอกจากหลวงปู่ฤาษีตาไฟที่อยู่ที่ภูเขาลูกนี้เหมือนกันแรกๆที่ได้สัมผัสโพธิสัตว์องค์สีเขียวอยู่เขาลูกนี้ 7 มาอ่า 7 80,000 ปีเช่น เรื่อง องค์สีขาว, อายุประมาณกวนอิมในเรารู้จักกัน 1,000 กว่าปีตาหลวงพ่อล่ําอายุ 70,000 80,000 ปีองค์สีเขียว ท่านได้บัญชาจากเบื้องบนให้ 7 วัน 7 คืนไปถึงก้นทะเลลึกเห็นพี่ชายถูก มีคนเห็นอีกทีก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์ประทับบนเมฆ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องเจ้าแม่กวนอิมอวโลกิเตศวนองค์เขียวองค์ขาวเนี่ยนะเรื่องเจ้าแม่กวนอิม เรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมนำให้ใบหน้างามเลิศ ก็ลงไปอุ้มขึ้นมาช่วยรักษาจนพี่ ท่านได้รับมียาดีรักษาโรคร้ายทุกชนิดมีขถาอาคมสักเลขยันย่องผู้คนสนใจกันมากเป็นพระที่เก่ง ท่านมีเมตตาสูงช่วยโดยไม่เรียกร้องเงินทอง นำพบอายุ 70,000 ปีที่ถ้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเจ้าแม่กวนอิมบอกว่าท่านเคยอยู่ที่ถ้ํานั้นสมัย ทรงจิตจริงๆถึงได้เชื่อแล้วพากันมาว่าเจ้าแม่กวนอิมเขียวตอน ขอพบท่านพบท่านว่าเมื่อ 7 80,000 ปีที่ผ่านมาตรงเป็นทะเลลึกตอนๆพื้นแผ่นดินสูงทะเลถอยร่นลงท้องทะเลก็กลายดินดอนเป็นเมืองให้ผู้คนได้อยู่อาศัยสืบมาหลวงปู่เล่าว่าที่ตรงในอดีตมีเมืองอยู่ 2 เมืองเป็น เมื่อเจ้าแม่กวนอิมเกิดเป็นธิดาเจ้าเมืองหนึ่งเป็นใหญ่ขึ้นมาก็พยายามสมานสามัคคีระหว่างเมืองทั้งสองให้เลิกเป็นศัตรูกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขก่อนหน้านั้นคืนจะสามารถ พระนางได้บำเพ็ญภาวนาอยู่บนเกาะกลางลึก 7 วัน 7, 7 คืนจริงๆจนครบปรากฏทะเลตรงนั้นแยกเป็นช่องมองเห็นร่างพี่ชายอยู่ก้นทะเลจริงๆจึงลงไปอุ้มพี่ กลับมาอีกครั้งก็ประทับอยู่บนก้อนเมฆสีเขียวร่างขาว เพราะ 3,000 ปีแล้วแล้วสมัยพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นยังเคย เผยถึงการสัมผัสกับเจ้าแม่กวนอิมองค์สีเขียวว่าครั้งแรกเมื่อได้เจอกันเจ้าแม่กวนอิมได้ยกมือขึ้นไหว้ท่านหลวงปู่ก็ร้องโอ้โอ้มาไหว้อาตมา น่ะว่าจึงไหว้หรือไม่อย่างนั้นอัวไม่ไหว้หรอกเดี๋ยวจะหาว่าอัว 4 นิ้วเป็น ไปช่วยดวงวิญญาณสักดวงนึงที่กําลังตกที่เคยช่วยใครต่อใครมาแล้ว เป็นคนมีฐานะดีระดับเศรษฐีร้อง ไม่ให้ก็ไม่เรียกร้องเงินที่เขาถวายๆ เมื่อมีปัญหาที่ใครช่วยไม่ได้มีปัญหาที่ใครช่วยไม่ได้ก็นิมนต์หลวงพ่อลําบินไป หรือว่าหลวงปู่ลำสิริธรรมโววัดสามัคคีธรรมลาดพร้าวซอย 64 แขวงวังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานครครับศีลโลกาจะวินาดขอเชิญ โรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายครับติดต่อร่วมครับ